บุญช้าวิสัชนาะถ้ายังไม่ได้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตข้างหน้าระหว่างมีชีวิตคุณอาจไม่รู้สึกอะไรแต่ก่อนตายจะมีแต่ความกระวนกระวายเพราะแม้กระทั่งจะถามให้หายสงสัยในข้อใดก็ถามไม่ออกบอกไม่ถูกเสียแล้วต้นเหตุของความกลัวตายข้อใหญ่ที่สุดคือความไม่รู้ว่า หลังตายจะต้องเจอกับอะไรแน่แต่ถ้ารู้ไว้ก่อนคร่าวๆว่าทากรรมอย่างไรจะต้องได้รับผลแบบไหนถึงแม้ยังไม่หายกลัวอย่างน้อยก็พอจะก้าวผ่านความตายไปพบกับชีวิตหลังความตายได้ด้วยความไม่แปลกใจการไม่เชื่อเรื่องหลังความตายจะมีสิทธิ์ได้ไปดีกับเขาไหม พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีใจความสรุปว่าผู้ทำบุญไว้มากกว่าบาบนั้นต่อให้นึกว่าตัวเองคงได้ไปนรกแน่การนึกนึกคิดคิดนั้นก็ไม่มีผลให้ไปนรกจริงในเมื่อบุญมีกำลังส่งเข้าให้ไปถึงสวรรค์อยู่แล้วในทางกลับกันผู้ทำบาปไว้มากกว่าบุญต่อให้นึกว่าตัวเองคงได้ไปสวรรค์ การนึกๆคิดๆนั้นก็ไม่มีผลให้ไปสวรรค์จริงหรอกในเมื่อบาปมีกำลังส่งเขาให้ไปถึงนรกแน่ๆ แ, แล้วในเกมสังสารวัติที่ส่งคนไปเกิดตายในภพภูมิต่างๆอย่างไร้วันจบวันสิ้นนี้เขาไม่ดูว่าคุณเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรแต่ดูว่าคุณทำอะไรไม่ทำอะไรเป็นสำคัญต่อให้ถามว่า ระหว่างคนเชื่อกับคนไม่เชื่อฝ่ายไหนมีสิทธิ์หลงไปก่อบาปมากกว่าสร้างบุญอันนี้คงรู้รู้กันเพราะที่เชื่อนั้นย่อมมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่ากับทั้งมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนกันตามแบบอย่างของศาสนาที่ตนนับถือมากกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดบอกไม่ถูกด้วยซ้ําครับว่าทําไมคนเราถึงแตกต่างกัน ง่ายๆว่าหมู่คนที่ไม่เชื่อก็เหมือนสร้างศาสนานับถือความบังเอิญนั่นเองเมื่อนับถือศาสนาแห่งความบังเอิญเชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวย่อมกลัวอย่างเดียวคือกรงขังอันตามมาหลังการทำผิดกฎหมายนอกนั้นอยากทำอะไรก็ทำจะโทษก็โทษความบังเอิญพาไปเจอสิ่งกระตุ้นให้ทำผิดคิดร้ายช่วยไม่ได้ถ้าไม่อยากห้ามใจ ท่าทีแบบพุทธสําหรับคนที่ยังไม่อยากลงใจเชื่อก็คือท่านให้เผื่อใจไว้ก่อนโดยหมั่นทําดีไม่เบียดเบียนใครเป็นประกันว่าจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจในปัจจุบันแล้วก็เป็นประกันทางความสุขในอนาคตหากชาติหน้าจะมีอยู่จริงอีกประการหนึ่งถ้าจะพูดกับใครก็ควรพูดว่ายัางไม่อยากเชื่อ อย่าเพิ่งไปลั่นวาจาทำนองว่าจะไม่ขอเชื่อเด็ดขาดเพราะนั่นจะกลายเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นเหตุให้งมงายเชื่อเรื่องตายแล้วสูญเข้าขายมิจฉาทิฐิขั้นร้ายแรงมันต่างกันมากนะครับระหว่างไม่อยากเชื่อเพราะไม่ทราบจะพิสูจน์อย่างไรกับหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่มีทางเชื่อไปจนตาย เพราะแบบแรกยังเปลี่ยนใจได้เมื่อพบแนวทางสังเกตตนเองสังเกตกรรมและผลของกรรมแต่แบบที่สองเนี่ยถ้าให้เปลี่ยนใจก็เหลือทางเดียวคือตายไปพบของจริงเท่านั้นซึ่งถึงเวลาก็สายเกินแก้และสำคัญกว่านั้นคือถ้ามีวาสนาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็นับถือศาสนาแห่งความบังเอิญ และงงงายกับการเกิดผลเดียวตายผลเดียวอีกไม่รู้จบรู้สิน้น